Book 2 <26. S 3> <20. S> 2ย26 26บหกมาอิชสาเธรรมชาติสรรตตสรรีโรตรโรตคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับวิจลีคูวัตตา คคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับวิชเดชลิชเดชลตัมคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับวิชเดชลิช е ดชลีตุมคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ วิ่งเดินสิเรคัตตาคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับวิ่งเดินสิมอสต а ทคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับวิ่งเดินสิเอเซโรตุ ผมชอบนกตัวนั้นฉกตาเอตัมมิคาริสวาฉกตาเอตัมมิคาริสวาผมชอบต้นไม้ต้นนั้นอมมววอวผมชอบก้อนหินก้อนนี้สกว ต, วตาุกมรสว สกวาตุกมรสวผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นอผมชอบสวนนั้นอผมชอบดอกไม้นี้ สเวตเตอ т ์ทุกมิชาร์เอสวาผมว่านั่นมันสวยสปอร์ตแม е ตัวว่าเอิหุบบว о ผมว่านั่นมันน่าสนใจปอรินปร์ตแมนตัอินทน ผมว่านั่นมันงดงามสปอร์ตแมนตัวว่าเป็ а ประการ r นุสปอร์ตแมนตัวว่าเผมว่านั่นมันน่าเกลียดสปอรปอร์ตแผมว่านั่นมันน่าเบื่อสปอร์ตแ n น s p o r ์ m แ n t v a วร์สกุชโนผมว่านั่นมันแย่สปอร์ตแมนทั e ร์เออุกจาศโนส